สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายกหรคุณชอบเล่าวันนี้มีประสบการณ์ความดี้ลับเกี่ยวกับป่ามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วครับเป็นประสบการณ์ของพี่ชาติพี่ชาติที่ว่านี้แกเป็นคนใจดีชอบทําบุญเอาของไปแจกเด็กๆตามโรงเรียนบ้านนอกบ่อยขึ้นเหนือลงใต้กับแก๊งของแกบ่อยๆมีโอกาสได้สนทนากับแกตอนไปดูเพื่อนรุ่นพี่เล่นดนตรีแถวตะวันนาแบบวงคุณมีอายุหน่อยๆ น, นะครับ ก็ถามสัรทุกสุกดิบการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ของแกนั้นแหละและก็ถามว่าแกเคยเข้าป่าบ้างไหมแกก็บอกว่าโอ้เธอเรื่องการเดินป่าแล้วก็ตัวแกก็เคยไปเดินป่ากับเพื่อนบ่อยๆแกบอกแกเป็นคนชอบะจญภัยชอบเที่ยวแบบสงบสง บ, สงบดื่มด่ำกับธรรมชาติชมนกชมไม้แต่ก็มีการเดินป่าครั้งหนึ่งอยู่นะที่ทำให้แกรู้สึกหลอนมากๆและยังจาได้ไม่เคยลืม ก็คือตอนที่แกเกิดไปหลงป่ามาครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะแกบอกว่าที่หลงก็เพราะว่าความดือ้อคิดประตุเองเกา่าลุยมาเยอะก็เลยเจอดีและก็ดีจริงๆผมเลยบอกแกว่างั้นพี่ก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิแกก็บอกได้และแกก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและส่งเสียรายจ่ายต่างๆผมก็อยากจะเดินทางไปท่องไพรคนเดียวบ้าง ไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหนประจบกับตอนนั้นพวกเพื่อนๆนมันก็ไม่ว่างกันเลยก็เลยลุยเดี่ยวดูบ้างแต่ก็นั่นแหละเป็นการลุยเดี่ยวครั้งเดียวที่เรียกว่าครั้งเดียวเข็ดไอ้พวกเพื่อนๆนที่ไม่ไปมันก็อวยพรให้โชคดีว่าอย่าไปเจอผีป่ากับสัตว์ร้ายกันแล้วกันนะฟังพวกมันอวยพรกันสิปากมันศักดิ์สิทธิ์ดีนะแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากเพราะทุกครั้งที่เดินทางผมก็จะให้พระที่นับถือกับตะกรุดศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย ครั้งนั้นเป็นวันที่ออกเดินทางแต่เช้าขับรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่สำนักงานป่าไม้แห่งหนึ่งและกันเจ้าหน้าที่ก็คุ้นเคยกันดีช่วงที่เข้าป่าก็จะจ้างเด็กไปนอนเฝ้ารถให้ก็เข้าแจ้งความจำลองกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเข้าไปเที่ยวในป่าและค้างสักหนึ่งคืนหรือไม่กระท่งคืนเจ้าหน้าที่เขาก็โอเคเขาก็ขอตรวจดูสัมภาระว่ามีอะไรบ้างที่สามารถไปทําร้ายสัตว์ได้ไหมตามกฎระเบียบของเขาเนั่นแหละก็บอกเขาว่า ครั้งนี้อยากไปเดินทางป่าด้านเหนือบ้างเพราะเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเน่ยยังไม่เคยไปเลยเห็นก็ว่ามันอุดมสมบูรณ์มีป่าขึ้นรกเหมาะแก่การสำรวจเรียกว่าได้เข้าถึงป่าโดยแท้จริงแต่ก็ได้คําตอบว่าอยากเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปหรอกในนั้นน่ะผมก็เลยถามว่ามันเป็นพื้นที่ของป่าสงวนเหรอเขาก็บอกว่าเปล่าแต่ก็อยากเข้าไปเลยเชื่อเถอะไม่แนะนาก็ต่อรองกับเขาว่า ขอเข้าไปสักครึ่งกิโลเมตรและกันเข้าไปเอาบรรยากาศแล้วก็จะรีบกลับออกมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันอีกว่าไม่ควรเข้าไปอย่างยิ่งให้รับปากได้ไหมว่าจะไม่เข้าไปสุดท้ายก็ต้องรับปากเขาเพราะเจราจาไม่เป็นผลสําเร็จจากนั้นก็เข้าห้องน้ําจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยก็ออกเดินทางทันทีตอนแรกยังคิดอยู่ว่าทําไมถึงไม่ให้เข้าไปนะก็แค่อยากรู้เท่านั้นแหละว่ามันจะเหมือนส่วนอื่นๆไหมก็เลยเดินเข้าป่าเส้นทางเก่า เดินเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าไปก็รู้สึกคุ้นเคยชินตาแบบว่ามันเห็นจนเบื่อแล้วไงความรู้สึกตื่นเต้นแบบตอนแรกๆที่เข้ามาครั้งแรกๆ ก, ก็ไม่มีก็เดินเที่ยวไปมองเวลาไปถึงเวลาประมาณบ่ายสองกว่าก็คิดว่าเฮ้ยยังพอมีเวลาเนี่ว่าที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่ป่าทึบตรงนั้นแล้วก็รีบเข้าไปเดินเที่ยวสำรวจแล้วก็กลับออกมาค้างคืนในป่าเก่าตรงนี้ก็น่าจะทันนะ เมื่อคิดได้อย่างนั้นก็เลยรีบเดินทางไปที่ป่า น, นั้นเลยพูดถึงตอนนี้นึกและอยากตบกบาลตัวเองมากๆเลยและพอเดินไปถึงตรงป่านั้นทันทีที่เหยียบย่างเข้าไปไม่ลึกมากก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แปลกเลยมันเย็นประหลาดประหลาดสัมผัสได้ถึงความชื้นมีไอหมอกอ่อนๆด้วยหน้าแปลกไมล่ล่ะเมื่อกี้ข้างนอกมันยังเป็นแดดเปรี้ยงๆอยู่เลยแต่ก็รู้สึกชอบมันนะมันเหมือนหน้าหนาว การเดินแต่ละก้าวก็เต็มไปด้วยความลําบากต้องใช้ความพยายามสูงจะไม่ตัดต้นไม้โดยไม่จําเป็นก็ค่อยๆเดินไปตรงไหนมันรกมากก็ใช้มือแหวกบ้างให้ออกจากกันยิ่งเดินเข้าไปเรื่อยๆความลําบากมันก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยต้นไม้ไม่ขึ้นรกหนาแน่นมากได้ยินเสียงของสัตว์ร้องทำรามรอบตัวไม่รู้ว่ามาจากไหนและรอบตัวตรงนั้นมันก็รู้สึกว่ามันมืดผิดปกติเหลือเกินคงเป็นเพราะว่าแสงมันเข้ามาไม่ถึง มันเลยรู้สึกว่าวังเวงใจมันเกิดอาการกลัวรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยคิดว่าถ้าเดินต่อไปข้างล่างอาจจะเป็นอันตรายก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเหยื่อของอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้รู้สึกโมโหตัวเองเหมือนกันที่ไม่เชื่อคําพูดของเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบปีนแคบไปบนต้นไม้กว่าจะขึ้นได้โอ้โหใช้เวลามากเหมือนกันพอขึ้นไปได้ก็ไปนั่งนิ่งที่ขาคบไม้สงบใจสักพักแล้วพอมองลงมาข้างล่างก็เห็นเหมือนเงาสัตว์หรือตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่ๆ เดิตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นไม้เฮ้ยตกใจเหมือนกันเลยตอนนั้นเพราะว่าไอตัวนั้นน่ะมันเดินไปเดินมาแล้วมันก็แงนขึ้นมามองด้วยนะตามันแดงกล่าเลยตัวอะไรวะนะ่ะตอนนั้นคิดก็นี่มันยังกลางวันอยู่เลยทําไมบรรยากาศมันมืดอย่างนี้เสียงของสัตว์นกร้องอะไรก็เลยงมไปหมดแต่มันฟังดูเย็นเย็นวังเวงเหลือเกินและไอ้นน่นมันตัวอะไรน่ะตายแน่ตายแน่ไม่รู้จะหนีไปทางไหนดีได้แต่หลับตาภาวนาอยู่ตรงนั้นให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครอง แวบเดียวเสียงสัตว์ที่ระงมน่ากลัวก็หายไปหมดเลยก็เลยลืมตาขึ้นมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากความเงียบป่าก็ดูสว่างขึ้นไม่มืดเหมือนเมื่อกี้ไอตัวประหลาดก็หายไปก็คิดกับตัวเองว่าสงสัยจะเหนื่อยมากเลยเห็นภาพหลอนหลับตานั่งทําสมาธิอยู่สักพักดูแล้วไม่มีอะไรก็เลยลงมาจากต้นไม้ตอนนั้นคิดว่าน่าจะต้องกลับออกไปแล้วแหละนี่ขนาดเข้าไปยังไม่ลึกมากนะเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวพิกลมองดูนาฬิกาก็คิดว่ามันน่าจะบ่าย3ามและสี่โมงเย็นนี่แหละปรากฏว่านาฬิกาดันไม่เดินซะ น, นี่แต่ก็ไม่เป็นไรแหละก็มองหาเครื่องหมายที่ทำเอาไว้เพื่อจะได้กลับออกมาแต่มองไปทั่วก็รู้สึกใจเสียเลยเพราะไอ้เครื่องหมายที่ทำเอาไว้อ่ะมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แปลกใจเหลือเกินก็เลยเดินวนเวียนหาอยู่หลายรอบหาไปหลายรอบหลายรอบจนรู้สึกว่าเมื่อยขาเมื่อยแข้งอ่อนเปรียบพีแรงเลย เดินไปทางไหนทางไหนก็ย้อนกลับมาที่เดิมต้นไม้มันเหมือนกันหมดเลยเหนื่อยมากเลยนั่งพักตรงขอนไม้อันนึงแล้วก็หยิบกล่องข้าวจากเป้ออกมากินซะหน่อยเติมแรงไปก่อนนั่งพักอีกแป๊บหนึง่งพอมีแรงก็เดินต่อเลยใจมันอยากจะออกจากตรงจุดนี้มากแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนยิ่งเดินยิ่งลึกทุกทีทุกทีฟ้าก็ค่อยๆมืดลงมืดลงทุกทีมันให้ความรู้สึกว่าหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตเลยตอนนั้น อับจนหนทางจริงๆหยิบมือถือขึ้นมาจากกระเป๋าก็ว่าจะโทรแบตก็หมดอีกจบกันเลยทีนี้ตอนนั้นเลยต้องยกมือขึ้นไหวไปรอบๆตัวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาท่านช่วยด้วยถ้าหากว่ากลับออกไปได้ก็จะทำบุญถวายสังฆทานและก็จะงดกินเนื้อสัตว์ในวันพระอธิษฐานเสร็จก็เดินต่อเลยแต่ยิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกท้อแท้ความมืดมันก็เข้ามาควบคุมทุกอย่างไปหมดมันมืดสนิทเหมือนอยู่ในถ้า ได้ยินเสียงของบรรยากาศของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยนกกลางคืนหรือนอกพูร้องเสียงน่ากลัวมากอากาศมันก็เย็นมากลงทุกทีแสงสว่างก็ไม่มีแสงจากพระจันทร์ซึ่งตอนนี้มันรู้สึกว่ามืดแล้วก็ไม่มีมันรู้สึกหลอนวังเวงจนเดินต่อไปไม่ไหวละก็นั่งพักสัก่อนรู้สึกเย็นมากอากาศในป่ามันเย็นจริงๆก็รีบปีนขึ้นต้นไม้อีกทีหนึ่งกะว่าจะไปนั่งพักสักนิดหนึ่งพอปีนขึ้นไปก็ต้องลงไปอีก แล้วว่ามันหนาวมากตอนนั้นอยากจะจุดไฟอยากจะก่อไฟผิงให้ความอาบอุ่นกับร่างกายซะก่อนแต่เหมือนเวรกรรม่านไฟฉายที่ใช้มามันก็มาลิบดีลิบดีเหมือนจะหมดเอาดื้อเปลยมองแทบไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นก็ได้แต่นั่งกอดเขา่ากอดเป้ที่ใต้ต้นไม้มันหนาวมากหูเนี่ยก็ได้ยินเสียงน้ําค้างเลยนะมันดังเปาะแปะเปาะแปะเสื้อและผ้าก็เปียกชื้นไปหมดเลย คิดในใจเลยว่าถ้านั่งอย่างนี้ต่อไปเป็นปอดบวมตายแน่ๆทางเดียวที่จะรอดจะต้องจุดไฟให้ได้ก็เลยพยายามเดินหาฟืนหรือเชื้อเพลิงอะไรก็ได้ที่พอจะหาได้ผมเดินไปไม่ไกลมากก็เห็นว่าข้างหน้ามีแสงสีส้มๆแต่ดวงนิดเดียวคิดว่าน่าจะเป็นคนเดินป่าเหมือนกันมาจุดไฟผิงอยู่ก็ได้ก็ดีใจมากเลยตอนนั้นเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นรีบเดินเข้าไปหาโดยเร็วเลยและก็ไม่มีผิดหวัง เขาเห็นกองไฟขนาดย่อมย่อมจุดเอาไว้มีผู้ชายสามคนสวมเสื้อผ้าหนาๆใส่หมวกบดบังใบหน้านั่งอยู่พวกเขาคุยกันเงียบๆผมก็เดินโซเซเข้าไปหาแล้วก็ฟูบลงเพราะมันหมดแรงแล้วก็ได้ยินเสียงใครไม่รู้พูดว่าสงสัยเป็นพวกหลงป่าเราต้องช่วยเหลือรู้สึกตัวว่าถูกเขาพยุงร่างให้นั่งพิงกับคนต้นไม้ความอบอุ่นจากกองไฟช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาก พวกเขาไม่พูดอะไรนอกจากจะคุยด้วยภาษาแปลกๆที่ฟังดูไม่คุ้นหัวเลยแต่ตอนนั้นผมเหนื่อยมากไม่มีแรงที่จะขยับปากได้แต่มองพวกเขาที่ก้มหน้าก้มตาคุยกันเห็นมีบางครั้งที่เขาหันมามองแล้วก็หลับไปโดยไม่รู้สึกตัวอีกเลยตื่นมาอีกทีนึงรู้สึกว่าอากาศมันหนาวมากทนไม่ไหวจนต้องตื่นอะตัวมันสัน่นมันหนาวเย็นจนฟันกระทบกันมองไปรอ บ, รอบๆก็มีแต่ความมืดมิดตกใจมากเลย พอไปเห็นผู้ชายสามคนนั้นอยู่กองไฟก็ไม่มีแล้วงงมากก็ก่อนที่จะหลับอะ่ะก็เห็นว่ามีคนนั่งผิวไฟอยู่แล้วก็หายไปไหนกันแล้วมองดูแม้แต่ขี้เฒ่าก็ยังไม่มีเลยและตอนนั้นอะ่ะมันยิ่งหนาวจับหัวใจสิวสันหลังไปหมดเลยความกลัวมันเข้ามาเต็มหัวไปหมดเลยคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าได้ไปอยู่ในป่าอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเป็นยังไงอะ่ะแกหันมาถามอีกนะผมก็ได้แตนะ่อื้อแกบอกมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความมืด มันน่ากลัวจนทำในไม่ถูกเลยความหนาวไม่เป็นศัตรูที่ทําให้ร่างกายขยับไม่ไหวขาก็ดูเหมือนจะเป็นตะคริวหน้าชาไร้ความรู้สึกเอามือตบหน้ายังแทบจะไม่รู้สึกเลยก็ค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นแต่ก็ล้มลงเพราะขาไม่เป็นตะคริวตอนนั้นรู้สึกกลัวมากแต่ถ้าขืนนั่งอยู่ต่อไปก็คงจะแข็งตายแน่ๆหรือไม่ก็เป็นไข้ป่าตายแน่ๆเลยก็เลยพยายามคานเอาเปสสภายไว้ข้างหลัง พุ่ข่าคลานไปเรื่อยๆก้มหน้าไปกับพื้นตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าจะไปที่ไหนแต่ทุกครั้งที่ฝ่ามือมันลงไปโดนพื้นน่ะมันเจ็บมากเลยนะมันมีหนามต่าด้วยเลือดออกซิบซิบพยายามตั้งสติอย่างมากไม่ยอมตายแน่ๆตอนนั้นเมื่อตะฮิวมันเริ่มจะค่อยๆหายรู้สึกได้ว่าขามันเริ่มจะขยับได้ก็พยายามลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าในลักษณะที่เข่ามันเกยกันเลยนะการเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างลําบากช้า แต่ก็ไม่กลัวแล้วและรู้ว่าจะต้องไปเพียงอย่างเดียวเลยและแล้วความรู้สึกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ก็กลับไม่อีกเพราะข้างหน้าก็เห็นว่ามีแสงไฟสีส้มแดงคงมีคนประกอไฟเอาไว้อีกรีบเดินไปดูใกล้ๆแต่รู้สึกว่าเดินไปเนี่ยเห็นอยู่ใกล้ๆแต่มันเดินไม่ถึงสักทีเดินรู้สึกว่าเวลามันนานมาก ล, ลัดเลาะตามต้นไม้จนไปถึงแต่มันไม่ใช่กองไฟมันเป็นแค่ลูกไฟขนาดเท่าหัวคนลอยเรี่ยไรอยู่กับพื้น ตกใจมากเลยตอนนั้นความคิดบอกว่าเงียบไว้เลยเงียบไว้เลยอาจจะเป็นดวงไฟผีป่าก็ได้นั่งลงหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่กล้าขยับตัวคิดในใจอย่างเดียวเลยว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยนี่ทํามานรู้ว่ามีคนแอบมองมันจะทําร้ายเราไหมเนี่ยไอ้ดวงไฟนั้นมันก็ลอยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหายไปกับตาแต่พอไฟมันหายอ่ะก็เห็นเป็นเงารูปร่างคนตัวสูงใหญ่ยืนจังก้าอยู่ ตอนนั้นกลัวมากกลั้นหายใจเอาไว้เลยในชีวิตไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนับว่าตอนนั้น่ะเป็นช่วงเวลาที่โคตรจะทรมานเลยได้แต่ภาวนาให้มันไปเร็วๆไปเร็วๆสักพักก็เห็นเจ้าร่างดำๆที่มันยืนะ่ะมองซ้ายมองขวาเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็ค่อยๆเดินมาตรงใกล้ๆที่แอบอยู่นะหลับตาปีเลยกลัวมันจะทำร้ายเอามือลุมไปใน เ, เป้หยิบมีดสปาต้าเล่มเล็กๆที่พกไว้เนี่ยกะว่าถ้ามีอะไรกระซวกแน่แน แต่แล้วมันก็เดินหายไปในทันทีตอนนั้นเริ่มโล่งใจรอดพ้นจากความตายแต่ก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจอะไรเลยเพราะบรรยากาศมันทั้งหนาวทั้งเย็นทั้งมืดมันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยกลัวว่ามันจะย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ 10-20 นาทีที่อยู่กับความกลัวพยายามรวบรวมสติและเรียวแรงเดินต่อไปอีกทีนี้ร่างกายก็เริ่มอ่อนแรงแล้วแหละแต่ใจมันไม่หมดแรงหรอก แต่ละก้าวที่เดินไปไม่รู้เลยว่ากําลังออกจากป่าหรือว่าเดินถลํำลึกเข้าไปรู้เพียงแต่ว่าน่ากลัวมากสภาพจิตใจยแย่แย่ยิ่งนึกก็ยิ่งมือหูตัวเองอย่างเดียวน้ําตามันก็ไหลไปเรื่อยๆตอนเดินก็เห็นแสงไฟอีกครั้งแต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นดวงไฟผีหรือเปล่าหรือเป็นคนนั่งก่อไฟเลยค่อยๆย่องแอบเข้าไปแอบเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ใกล้ๆกับกองไฟคราวนี้เห็นผู้ชายสามคนนั่งคุยกันเหมือนกับที่เคยเห็นมาแล้วเลย เพ่งดูอีกทีก็เป็นความจริงเพราะว่าสมคนนั้นก็คือสามคนแรกที่เห็นตอนแรกในกองไฟครั้งแรกก่อนที่จะหลับไปและทำไมถึงย้ายแม่ผิงไฟอยู่ที่นี่ได้ลักษณะท่าทางจากการพิจารณาดูดีๆพอมองตอนนี้รู้สึกไม่น่าไว้ใจเลยน่ากลัวมากกว่าผู้ชายคนแรกพอเห็นหน้าของเขาที่กระทบกับไฟแก้มเขาตบมากมีแต่หนังคุ้มกระดูตาลึกจมูกสั้นเล็ ก, ลกๆนาดมองไกล ริมฝีปากยังเห็นในความเหี่ยวเลยจับเป็นจีบขยุ่มเกาหากันอ้าปากงุมงง้มกมงุ้งกำเห็นฟันข้างบนยาวเหมือนจะมีเขี้ยวออกมาเลยดูแล้วไม่เหมือนคนเลยมือเหี่ยวย่นแล้วแห้งเหมือนจะทาเล็บที่เล็บด้วยนะเพราะเห็นเป็นสีดำๆคนที่สอง่ะที่นั่งข้างๆก็ตัวสั้นหน้าซีดตาลึกหลวเหมือนกันค่อนข้างผอมแต่ดูหน้าตาเหมือนจะมีแผลอยู่ที่แก้มนะทั้งสองคนน่ะหน้าตาไม่เหมือนคนเลยแหละ คนที่สามเนี่ยตัวใหญ่กว่าเพื่อนตาโปนวาวจมูกไม่มีดั้งเห็นแต่ดินผีปากหนาะก็พยายามฟังว่าก็คุยอะไรกันแต่พอเงี่ยวหูฟังจริงๆมันไม่ใช่การคุยกันมันเป็นเสียงสวดคาถาอะไรสักอย่างสูงๆต่ำๆบางครั้งก็มีกรีดร้องโหยหวน์เสียงสยองจับใจตอนนั้นหัวใจตัวเองมันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับไม่เป็นจังหวะเลยสับสนวุ่นวายกับตัวเองเหลือเกินว่านี่เรากําลังเจออะไรอยู่เนี่ย และคนที่สามที่ว่าตัวโตกว่าเพื่อนน่ะก็เหมือนหันไปจับอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่เห็นแล้วคล้ายๆหนูเลยแล้วก็เอาเข้าปากเคี้ยวเลยต่อหน้ากองไฟตรงนั้นเลยซึ่งภาพมันชัดมากกัดแบบหนูในหัวหายไปเลยส่วนหางที่กระดูกกระดิกก็ยังนิ่นอยู่เลยสยองมากสยองที่สุดขาวอ่อนเลยใจคิดเลยว่าตอนแรกรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยก็เลยเอามือไปจับดูที่อกตัวเองโอ้ใช่ใช่ใช่เรามีหลวงพ่อเรามีหลวงพ่อแล้วก็มีตะกุดมาด้วย ไม่กล้ากระดุดกระดิกไม่กล้าส่งเสียงไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นพยายามขดตัวให้อบอุ่นที่สุดกับกระเป๋าเป้นอนภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้ผมได้ออกไปจากที่นี่เถอะขอให้ผมได้ออกไปจากที่นี่ทีเถอะ ผ, ผมเข็ดแล้วผมเข็ดแล้วอากาศหนาวเย็นมากจนแทบทนไม่ไหวแต่มันก็ต้องทนรู้สึกว่าตัวร้อนจัดอาการไม่สบายเกิดขึ้นกระทันหันก็ได้แต่นอนนิ่งๆและก็หลับวูบไปโดยไม่รู้ตัวและตอนที่หลับก็ยังไม่ไวายฝันเห็นแต่ผีอีกนะ ฝันเห็นแต่ผีหรือตัวประหลาดเข้ามาหลอกหลอนเต็มเลยแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนมาเขย่าตัวและเรียกชื่อก็งงเงียลืมตาขึ้นแบบหมดแดงอะนะก็เห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้าคนได้มั้งกำลังลุมล้อมอยู่ใกล้ๆทีแรกก็ไม่ไว้ใจนะคิดว่าเป็นผีซะอีกก็รู้สึกว่าเขาอะช่วยกันพยุงออกมาจากหลังต้นไม้แล้วก็หามด้วยแคร่ออกมาเวลานั้นร่างกายป้อแป้ทาถ้าจะตายให้ได้เลย เขาก็พูดกันว่าโชคดีนะเนี่ยที่มีคนเห็นว่าแอบเดินข้างป่าตรงนี้มาก็เลยพยายามออกมาติดตามเพราะสงสอนใจว่าจะต้องเกิดเรื่องแน่ๆเตือนแล้วก็ไม่ฟังเป็นไงล่ะพอกลับออกมาเขาก็พาประถมพยาบาลข้างต้นเสร็จแล้วก็พาไปโรงพยาบาลตอนนั้นก็นอนสมด้วยพิษไข้เลยรู้สึกอย่างเดียวเลยว่าเออรอดตายมาได้ยังไงวะเนี่ยเจา้าที่ป่าไม้ก็ยังอุตส่าห์ไปเยี่ยมนะ พอการไข้ทุเลาออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็รีบไปทําบุญเลยถวายสังฆทานมอบให้ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเลยตามคําสัญญามันเป็นโชคดีอย่างมหาศาลจริงๆที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินตามเข้าไปถึงจุดนั้นทั้งๆที่ผมบอกว่าไปอีกจุดหนึ่งบังเอิญที่พวกเขาได้เห็นขอบคุณครับขอบคุณคุณเจ้าหน้าที่ครับที่ช่วยให้ผมได้รอดตายพี่ชาติก็หยุดเล่าเรื่องของแกแล้วก็หันมาถามว่าฟังดูเหมือนเรื่องโมไหม แต่ว่าโม้ก็ได้นะถ้าใครมาเล่าเรื่องอย่างนี้ผมฟังผมก็ว่ามันก็ต้องโม้นี่ยแหละแต่เรื่องอย่างเนี้ยไม่เจอเองก็ไม่รู้หรอกว่าแล้วพิชาตก็จิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าปากอีกก็นี่แหละครับเป็นประสบการณ์ที่พิชาตได้ถ่ายทอดมาให้ผมได้ฟังผมก็นํามาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความบันเทิงแล้วกันครับกับการได้รับฟังเรื่องเล่าจากป่าที่ผมนํามาเล่าให้ฟัง ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับสวัสดีครับ